ทุกนสวัสดีท่านผู้ฟังคะรายการธรรมารัปบรุญกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้นะคะเป็นประจำทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์ดิฉันก็จะได้รับโอกาสอันดีนะคะที่จะมาสนทนามากับพระอาจารย์ไพบูรณ์อภิปุนโน เส้นท่านก็เป็นลูกศิษย์เอกของอพระเดพระคุณหลงพ่อด็อตอร์สะอาดที่โตภาโซหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศกตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีค่ะสำหรับช้าวันนี้เรามาพบกันนะคะก็เป็นช้าวันอาทิตย์ที่หกมีนาคมพุทธศักราชสองพันหรอห้าสิบสี่ค่ะเป็นวันขึ้นสองข้าเดือนสี่ปีฐานนะคะ ค่ะก็ข อ, อนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์ไพบุตอภิปุนโนพร้อมกันเลยนะคะ การมหการเจ้าขาไทยชั้นเจ้าขาะะเช้าวนันอาทิตย์นี้เราจะพูดคุยธรรมะอะไรที่จะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังดีเจ้าขาวันอที่เ์ก็าเรื่องเบาๆก็ได้ เ, เรื่องสุขภาพเจ้าค่ะ ว, ว่าจะธรรมะในการรักษาสุขภาพกันได้อย่างไรเจ้าค่ะก็สืบเนื่องจากที่เมื่อเป็นกุมภาที่ผ่านมาาามได้มีโอกาสไปที่มหาวิทยาลัยคอนแก่นที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ศูนย์หัวใจเศรษฐกิจคณะแพทย์เขา มีการอธิปายกันเรื่องว่าอการป้องกันโรคหัวใจคือคือหัวใจเราเนี่ยจะมีหลอดเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อในหัวใจอยู่ทีนี้หมอเนี่ยเขาก็ทําการวิจัยกันมาล่ะพบว่าโอ้แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของคนที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวตีบตันเนี่ยโรคหัวใจในเมืองไทยเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมากก็เลยจะพยายามหาวิธีป้องกันจะทํำยังไงดีคือคือไม่ใช่เพิ่มจาก คนที่เกิดมาเป็นโรคหัวใจนี้เลยนี่ก็ยกไปเรื่องหนึ่งนะนะ <Okay. S 2> แต่ว่าพอเราโตขึ้นมาทําไมทรายเป็นโรคหัวใจได้อันนี้คือเขาท ำ, <Okay. S 2> ทำการทําการที่เขาแล้วก็ป้องกัน<ะ>ไช่อาจารย์ป้องกัน <Okay. S 2> ก็เลยนิมนต์เรามาไปเพื่อคุยว่าเอ๊อธรรมชาติช่วยได้อย่างไรอย่าง <Okay. S 2> นี้ก็เลยได้ไปคุยอ ภ, ภิปรายกับในแพทย์สมภพประธานีที่โนู้น ซึ่งเป็นหัวหนาฝายสารยาศาสตร์ก็ได้คุยกันในหลายประเด็นอยกก่างพวกเรื่องของธรรมะที่จะช่วยในรตรองนี้ได้ก็คิดว่าจะเอามาแ บ, บ่งปันให้เพื่อนผู้ฟังได้ฟังถ้าคุณสนใจมีคํำถามอะไรก็ถามได้เลยได้ค่ะอันนี้ก็เมื่อมันสุกก็ได้คุยเรื่องนี้ไปด้วยในเบื้องต้นอนะนะคือเราปรัญหาที่เกิดขึ้นจากสุขภาพเนี่ยคึอง่ายๆเลยคือเวลาเรากินสิ่งที่เราไม่ควรจะกินอย่างอาหารที่เราลวมไม่ดี กับร่างกายเดี๋ยวต้องแหมชอบกินกันจังเชข้าวขาหม<ช>ูหรือมีอะไรอีกโยมมันหวานๆทั้งหลายแหละหรือว่ากินลแล้วแหมรู้สึกอขออีกจานละกันหรือขออีกสองจานท่ากันอิ่มแล้วขอต่ออีกสามช้อนอย่างเงี้ยเป็นลักษณะนี้แต่แล้วลมื้อเย็นก็เอาอีกมื้อเย็นแล้วไปต่อจำเพื่อย่างเอาอีกได้อยู่แต่เดี๋ยวเขายกอาหารจานนี้มาโอ้อร่อยเหอะมากเลยกินที คือห้ามปากเราเองไม่ได้หรือกรณีหนึ่งคือตื่นเช้ามารู้สึกว่าต้องไปออกกําลังกายล่ะแต่ขอต่ออีกสิบนาทีขอต่ออีกห้านาทีนอนต่อยไม่ไปออกกําลังกายจื๊อค่ะหรือจะออกกาลังกายก็เหนื่อยเดี๋ยวทําไม่ได้เดี๋ยวเหนื่อยเดี๋ยวต่อเดี๋ยวเจ็บเดีวอะไรสักก็เลยไม่ออกกําลังกาย นี่คือปัญหาที่เราพบเจอมากนเกี่ยวกับการที่จะป้องกันโรคนีได้น ะ, ะบางคนชอบกินเค็มๆบางคนชอบกินอาหารที่เป็นอาหารขยะที่มีสารอาหารน้อยแต่อร่อยต่างๆอย่างเงี้ยตรงนี้พระชาติอธิบายไปแล้วเรื่องการทำงานของกายกับจิตตรง น, นี้ว่าไงบ้างเจ้าค่ะก็คือว่ า, าร่างกาของเราเนี่ยมันมีกายกับใจถูกไหมการทํางานของใจเนี่ยก็คืออยู่ทําตามกระบวนการของชิต การทำงานของหัวใจก็ได้ แ, แผนควบคุมจากกระบวนการอาก็เรียกว่าต่อมไร้ท่อหรือพวกฮอร์โมนต่างๆในระบบสมองที่สมองหลั่งออกมาในการควบคุมการเป็นของหัวใจที่เราไม่สามารถสั่งหัวใจได้ว่าคุณเต้น60จังหวะต่อนาทีหรือว่า50จังหวะต่อนาทีแต่กระบวนการนี้เป็นซัตเตอร์มอสิแล้ว ถ้าเราโกรธเราตื่นเต้นหัวใจก็จะเป็นเร็วขึ้นเราสบายเรานอนหลับหัวใจะจะเต้นช้าลง <c oughs> ซึ่งตรงนี้การทํางานของสมองตรงนี้อยู่ที่จิ ต, ตคือสมองเนี่ยเขาจะทำงานยังไงของเขาเนี่ยสิ่งที่เกิด ก, ก่อนนั้นเนี่ยคือจิตเพราจิตเนี่ยไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างวัดไม่ได้ด้วยมืออะไรอย่งสิ้นเพราะฉะนั้นการทํางานของจิตตรงเนี้ยเราจะพบว่ามันมาก่อนสมอง <c oughs> ม, มาก่อนสิ่งอื่น ในการทำงานของจิตเนี่ยมันเป็นผลสืบเนื่องมาจากอะไรอะไรเป็นตัวกระตุ้นให้จิตทํางานอย่างนั้นอย่างนี้ก็คือภาษาที่เราพบเจอคุณเห็นข้าวขาหมูทําไมคนสองคนเห็นข้าวขาหมูคนหนึง่งไม่ชอบไม่เกลียดเียไม่อยากกินอีก<ช>คนนึงบอกขูดอสองชานล้กันจบ<ช>นะหน้าหน้าที่เห็นสิ่งเดียวกันแะบางคนชอบขอ่อยกังวลใจมากบางคนโอขอถอยแค่นาทีสิบนาทีนอนไม่ลุกอย่างนี้จบซึ<ช>่งตรงเนี้ภาษาที่จะมากระทบเนี่ยทําให้เข้า จิตเนี่ยแล้วจิตเนี่ยทํางานตอบสนองในรูปแบบที่เป็นไปนตามอำนาจของตอัหาทีนี้ว่าเวลาที่เกิดผั ส, สาะขึ้นในจิตในกึ่ใจเวลาตาเห็นรูปนะสิ่งที่มันจะเข้าไปถึงมันจะเข้าไปถึงจิตหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิน่นเนี่ยทุกอย่างจะเข้าไปสู่จิตหมดทีนี้พอเข้าไปสู่จิตแล้วจะกระจายขึ้นในกระบวนาการตรงนี้รวเรมาต้องแย่งให้เฝ้าพอเข้าไปสู่จิตแล้วเนี่ยจิตจะจาได้หมายรู้ว่าอ๋ออันนี้มันเข้าขาหมู อ๋ออันนี้มันเป็นการออกําลังใจอันนี้เป็นอาหารที่ชอบหรือไม่ชอบเป็นผักเป็นผลไม้เลยนะผิดจะรับทราบน <Okay. S 2> ะพอทราบว่าอ๋ออันนี้เป็นผักเป็นผลไม้แล้วเนี่ย <Okay. S 2> เขาก็จะมีความรู้สึกที่ชอบหรือความรู้สึกที่ไม่ชอบเกิดขึ้น <Okay. S 2> ซึ่งสิทธิ์ละกวนก็จะไม่เหมือนกันนะผู้เจ้าก็จึงบอกว่าความทุกข์ทั้งหมดเนี่ยรวมลงที่เวทนาเมื mm hmm. อมีเวทนาแล้วเนี่ยมีความรู้สึกแล้วเนี่ยนะ คำว่าเวาาทนาภาษาไทยกับภาษาบาลีเนี่าายจะใช้กุลกความหมายเวทนาภาษาไทยจะใช้ลักษณะว่าเน้าเวทนาหน้าสงสารนี่มีทายแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นภาษาบาลีเนี่ยคำว่าเวทนาแปลว่าความรู้สึกแต่ความรู้สึกเฉยๆความรู้สึกชอบกับความรู้สึกไม่ชอบ น, อออ <Okay. S 1> นี้เองนี่คือเวทนาเพราะฉะนั้นพอมีความรู้สึกนี้เกิดขึ้นในจิตแล้วเนี่ยหลังจากเกิดเวทนาก็จะมีสัญหาคือความอยาก นัญหาความอยากตรงเนี้ยจะมีความอยากสองแบบคืออยากที่จะเอากับอยากที่จะไม่เอาจะมีสองแบบอย่างนี้เราอธิบายง่ายๆนะหรือว่าอยากจะมีอยากจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหะใช่ที่นี้คืออยากกับอยากไม่ได้จ้ะความไม่อยากได้นก็คือความอยากที่ไม่อยากได้นะจ้ะก็เป็นความอยากอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าคุณเจอสิ่งที่พอใจสิ่งที่ชอบใจหรือมีความรู้สึกชอบกับสิ่งนี้ก็จะเกิดปัญหาความอยากได้พบสิ่งที่ไม่พอใจหรือสิ่งที่ไม่ชอบ ่ะก็จะมีความอยากที่ไม่เอา่ <Okay. S 1> อาเพราะฉะนั้นเราก็จะถูกดึงหรือถูกดันด้วยสองสิ่งนี้เท่านั้นเองคือเอาหรือไม่เอาซึ่งตรงนี้เป็นผลมาจากเวทนาคือความอยากทั้งหมดเลย <Okay. S 1> เราเวทนาคือความรู้สึกทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเราจะมีความรู้สึกอย่างไรเพื่อให้มีไม่มีปัญหาเพราะว่าตัญหาในจะเป็นติดตัวที่ทําให้เรามีความทุกข์ไหลไปตามสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็จ <Okay. S 1> ึงต้องใช้วิธีกระบวนการของ ที่ปรึกษาสอนนะคือในเรื่องการสุขจิตเอ๊ะเรามีความรู้สึกอย่างไรเพื่อไม่ให้มีตัณหาไม่ให้มีความอยากแตคุณเห็นข้าวขาหมูคุณระงับความอยากได้คุณเห็นว่าจะต้องไปออกกําลังกายคุณก็ระงับความไม่อยากได้แล้วก็ทําตามเหตุผลเออย่างสมัยก่อนอนาะตมาต้องบอกท่นรูฟาร์ว่าคุณตื่นใจเมื่อก่อนอนาะตมาหนักร้0 6กิโลหนักมาก แต่คือเร็วเกินร้อยแล้วอือ่าตอนนี้สมัยนี่หลายสิบกว่าอ่าคือสมัยก่อนเรามีนิสัยอย่างนี้ไงเตือนเช้ามาก็จะจัดจัดปากเขารู้สึกว่าเอ๊ะวันนี้อยากกินอะไรแต่เราก็จะไปตามล่าสิ่งนั้นมากินอยากกินข้าวคขามูอยากกินซุปต้มกระดูกหมูอะไรเจ็ดเป็นตั้งกลัวอะไรเราจะตามไปกินหมดเป็นไปตามคำนา้นปากนั้นปากพาไปแล้วเราไป พอสี่มื้อห้ามื้อเออที่ไหนเขาว่าดีเขาว่าอร่อยได้เซียส่วนชิมไปหมดอเป็นอย่างนั้นกังฟูกายเราหูไปก่อนสําคัญกว่าขอนอนต่ออีกชั่วโมงหนึ่งอย่างเงี้เราก็จะไม่ออกกําลังฟูกายเราเราเป็นมาก่อนแต่พ อ, อพอเราพบปัญหายอย่างนี้เนี่ยน้ําหนักก็เพิ่มมากขึ้นสุขภาพก็แย่ลงอืจนกระทั่งว่าพอมาภายหลังเนี่ย นักได้เนี่ยได้ไปวิ่งมาราธอนทั้งสองสัมพรอบอวิีงมาราธอนนี่คือวิ่งสี่สิบสองจุดหนึ่งเจ้าห้ากิโละโอ้เยอะมากเลยนะคะในแต่ละ ร, รอบเพราะฉะ น, นั้นคนเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการเปลี่ยนวิธีคิดนิดเดียวเองอแล้วเราจะทํายังไงให้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในจิตของเราเนี่ยไม่พาเราไปสู่ตัณหาตัวนี้คุณต้องฝึกจิตนะฝึกจิต ด, ด้วยการที่นั่งสมาธินี่แหละแต่บางบางบางคุณบางท่านอาจจะเคยได้ยินว่าพุทธเจ้าเนี่ยให้พระอานนไปสวด คิดิมานนสูตรให้พระคิดิมานนฟังนะคือมีประเพณีของชาวพุทธบางท่านะนะะที่สวดมนต์คุณใช้การสวดมนต์เพื่อรักษาโรคอันเนี้ยพุทธเจ้าเคยบอกให้พระอานนท์เนี่ยไปสาธยายประสูดสิบอย่างสัญญาสิบอย่างให้พระคิดิมานนฟังตอบ <Okay. S 1> พระคิดิมานนฟังเนี่ก็อาจจะความเป็นโรค hmm. ซึ่งตรงนี้สอดคล้องกับธรรมะตรงจุดที่ว่าพอเวลาคุณ มีสมาธิเนะีเวลาจิตที่มีสมาธิเนี่ยจะสามารถปล่อยวางเห็นตามที่เป็นจริงปล่อยวางได้ปล่อยวางจากทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นอยู่ในตัวได้แนะพอปล่อยวางได้เนี่ยเราก็ไม่เป็นทุกข์นะเราก็จะมีปีติสุขเกิดขึ้นก็จะคลายจากความเป็นโรคได้เพราะฉะนั้นคืออามาไม่ได้พูดถึงเรื่องบทสวด น, นะเรากําลังพูดถึงเรื่องสภาวะทางจิตถ้าเราฝึกจิตของเราเนี่ยให้เป็นสมาธิพอจิตเป็นสมาธิแล้วคุณจะเห็นตามที่เป็นจริง พอเห็นตามที่เป็นจริงเนี่ยคุณจะเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายแล้วจะใครจำหน่ายใครถนัดก็จะปล่อยวางได้แปลว่าแม้อะไรได้ปล่อยวางในความรู้สึกที่อยากหรือไม่อยากได้ปล่อยาอะไรได้ปล่อยวางในความอยากได้ปล่อยวางอะไรได้ปล่อยวางในความไม่อยากก็ได้พอเราไม่ตกไปล้ำน้าของปัญหาแล้วเนี่ยเราก็ไม่กินตามเกล็ดปานเราก็ออกกําลังใจในตามความสําคัญที่มันควรจะเป็นนะสิ่งนี้สุขภาพเราก็จะดีขึ้น เพราะฉั้นมันเป็นเรื่องของจิตทั้งหมดเลยเป็นตัวใจเห็นไหมว่าโอเคไม่ว่าแขนขาจะเดินไปไหนจะพูดอะไรจิตเป็นคนสั่งเราจะทําความเปลี่ยนไหมเราจะกินาคาที่สุขภาพไหมจิตก็เป็นคนสั่งโอเเพราะฉะนั้นเราทามากคุณมีอํานาจเหนือจิตไหมในการที่จะสั่งจิตให้ทาอย่างนั้นอย่างนี้ตามที่เราต้องการไม่ให้จิตเนี่ยมามีอํานาจเหนือเราสั่งการเราไปตามอํานาจของจิตเขาโอ้จิตเยอะเลยใช่ไหมจ๊ะคะ ให้สุดให้ได้แล้วก็มีเรื่องของสุขภาพอีกหลายอย่างที่เราได้พูดถึงกันในวันนั้นนะะก็อย่างเช่นว่ากระบว น, นการการทํางานของอาทางชีววิทยาในในร่างกายเนี่ยมันก็มาจากจิต ด, ด้วยหลายอย่างนะถ้าจิตของเราเนี่ยเป็นปกติจิตของเราเป็นจิตที่นิ่งสบายเนี่ยอการทํางานของสมองเนี่ยก็จะเรีนในระดับที่ ป, ปกติซึ่งอยู่ในระดับปกติเนี่ยกระบวนการสางสารในร่างกายเนี่ยก็ เอ อ, อบางคนคุณตินใจเห็นมาคนที่เป็นปผู้บริหารหรือว่าผู้นําองค์กรผู้นําหน่วยงานเนี่ยถ้าเขามีบุคลิกที่นิ่งสบายเนี่ยการตัดสินใจของเขาเนี่ยจะเป็นตัวอย่างดีจะไม่ผิดพลาดจะมีข้อผิดพลาดน้อยจบค่ะเออในขณะที่หัวหน้าบางคนเนี่ยเกลียยกลาดมีความเครียดตลอดเวลาสุขภาพตัวเองก็แย่ผลงานก็แย่ลูกน้องก็เครียดอืมเพราะนั้นธรรมะเนี่ยจริงๆแล้วใช้ทุกระดับเลย ดีหมดตั้งแต่เรื่องสุขภาพเรื่องประสิทธิภาพในการทํางานเรื่องคนรอบข้างแม้นี่คือในภพปัจจุบันนะที่เราพบเจอได้เดี๋ยวนี้แม้ในภพต่อๆไปถ้าคุณมีธรรมะคุณปฏิบัติธรรมะยิ่งดีคูณสองอืมใช่ค่ะกรณีเราไปเกิดในภพชาติที่ดีถ้าหากว่าเรายังไม่หลุดพ้นนะเจ้าคาใช่เจ้าขาแล้วก็ตรงนี้แหละที่เป็นเหตุที่จะทำให้ได้รับความสุขในปัจจุบันแล้วก็ได้รับความสุข นี้นะยังเป็นเหตุเพื่อให้ความสุขที่ทเหนือกว่าสิ่งอื่นใดทั้งหมดคือปรมัตสุขนะก็คือเรื่องของมาผลิปันก็จะขา ม, มานะจ๊ะคะใช่ทีนี้บางคนก็ยังจะพูดถึงเรื่องการฝึกสิทธิตเนี่ยในลักษณะที่ว่าโอ้ต้องไปนั่งสมาธิต้องไปเดินจงกรมอยู่วัดโอ้ลําบากอะไรตนะ่ซึ่งตรงนี้เข้าใจผิดนิดนึงคือการฝึกสิทธิตเนี่ยมันต้องทําตลอดเวลาแต่ไม่ได้อยู่ว่าที่รูปแบบว่าคุณต้องอยู่ที่วัดหรือคุอยู่ที่บ้า หรือต้องนั่งหลักตาอยู่ในคนไม้ไส้คนไม้อะไรนั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ี่การฝึกจิตต้องทําตลอดเวลาทุกที่ทุกเวลา ค, ค่ะอืมะถึงจะทําให้เราจิตของเราเนี่ยตั้งมั่นได้ไม่ไหลาไตามสิ่งภายนอกและมีกําลังในการที่จะแก้ปัญหาต่างๆได้จุก ค, ค่ะโยมโยมอยากขออนุญาตกลับตินถามพระอาจารย์ว่า ที่คำว่าการฝึกจิตต้องทําตลอดเวลาทุกที่ทุกเวลาเนี่ยนะคะยมอยากจะถามแทนพุทธศาสนิกชนโดย ท, ทั่วไปที่ว่าอาจจะไม่ค่อยใกล้ชิดกับวัดเท่าไหร่เนี่ยถ้าจะทําฝึกจิตของเราแล้วก็ทําให้ได้ทุกที่ทุกเวลาเนี่ยอ่าจะทํายังไงเจ้าคะกําหนดจิตยังไงดีเจ้าคะก็ใช้สิ่งที่เรามีอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วมันคือเราไม่ได้เจ้าค่ะ พระเจ้าเองก็ใช้ลมหายใจในการที่ทําให้ตรัสรู้ธรรมลมหายใจของเราเนี่ยทำอย่างไรก็คือให้มีสติเอาสติบางคนฟังยากอีกให้สังเกตสังเกตยังไงสังเกตลมหายใจก็คือให้รับรู้ถึงสัมผัสของลมที่กระทบด้านในตรงจมูกเอาฟังให้ดีทีนึ่เรามีจมูกใช่ไหม <Okay. S 1> เรามีจมูกเรามีโพรงจมูกใช่ไหม uh huh. ในโพรงจมูกเนี่ยอากาศมันผ่านเข้าผ่านออกใช่ไหม พกจักสะพานเข้าผานออกเลยเรารู caminho, ส้สึกถึงสัมผัสของลมที่ผานเข้าผันออกไหมถ้ารู้สึกใช่ไหมคุณเอาจิตของคุณเนี่ยความรับรู้ของคุณเนี่ยไปสังเกตทีๆตรงนั้นแค่นั้นเถ้าไม่รู้ไม่รับรู้ถึงสัมผัสไอ้สังเกตไม่เห็นไอ้มันกระทบตรงไหนในโพรงจมูกไม่มีลองหายใจแรงๆสักสองสามครั้งรู้สึกถึงลมที่มันกระทบตรงไหนได้ในโพรงจมูกก็เอาจิตของเราเอาสติของเราเอาการสอดจับของเราไปไว้ตรงนั้นแค่นั้น ที <Okay. S 2> นี้การทําอย่างนี้เนี่ยทยําเรื่นๆไปด้วยความกันก็ได้อ่าขับรถอยู่รู้ลมหายใจไปด้วยขับรถไปด้วยก็ได้ที่มันต้องอาศัยการฝึกนิดนึงนะ <Okay. S 2> แต่บางคนเริ่มทํำนี่อาจจะยากนิดนึงแต่จึงต้องไปนั่งสมาธิอะไรเป็นรูปแบบอันนี้ก็สามารถทําได้ <Okay. S 2> ในขณะเดียวกันถ้าเราพอฝึกได้แล้วเนี่ยเราก็ให้อยู่กับลมหายใจด้วยแล้วก็ทําสิ่งอื่นไปด้วยถ้า <Okay. S 2> คุณรับน้ําอยู่เข้าห้องน้ําำํากับภาพ เรู้ลมหายใจไปด้วยทําสิ่งอื่นไปด้วยแต่จะเรียกว่าไม่ไม่หายใจชิ้งเฉยแต่เพราะว่าลมหายใจแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยคืออายุเราเสั้นเข้าไปทุกทีทุกทีแต่มาสร้างกายมันก็จะเผาผลาญลงไปทุกทีทุกทีแลพ้พระเจาเปลียนเหมือนบ้านเนี่ยกำลังไฟไหม้อยู่บ้านนี่คือกายของเราเนี่ยกําลังเผาผลาญไฟไหม้ไฟห ม, ม้ไปแก่ลงทุกวันทุกวันทุ ก, ทกลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนยแก่ลงนะฮะถามว่าคุณเนี่ยหายใจชิ้งหรือว่าหายใจยังมีสติ เพราะฉะนั้นเราหายใจยังมีสติเนี่ยก็คือให้แค่ราับารู้ถึงสัมผัสของลรหายใจในโพรงสมงูกที่มันกระทบในโพรงจมงูกอันนี้ก็จะอะเป็นเหตุที่ทําให้เราเนี่ยฝึกสติได้แล้วมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นในภายในข้างนอกข้างในอะไรต่าให้เห็นมันเกิดขึ้นตัดไปเกิดขึ้นตัดไปอันนี้ถ้าสมมุติตายไปนะเวลานั้นพอดีนะ ะ, ะก็ไปที่ดี ค, คือจิตเราสมุบอยู่นะเจ้าค่ะ แล้วก็คอยสังเกตลมหายใจเราตลอดเวลาใช่ค่ะทีนี้ <Okay. S 2> เรื่องของสุขภาพเนี่ยยังมีต่อยนิดนึง <Okay. S 2> นประเด็นที่เรกวา่าเราป่วยแล้วอันนี้ก็พูดถึงการป้องกันคุณยังไม่ป่วยค่ <Okay. S 2> แล้วถ้าป่วยแล้วทําไงป่วยแล้วธรรมะช่วยได้ไหมอย่างคนเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายคนเป็นปวดที่นั่นปวดที่นี่ธรรมะธรรมะช่วยคุได้ไหมธรรมะเนี่ยนะกุญแจใจแหมมันกว้างขวา ง, วางแล้วก็ ละเอียดละออใช้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะจุ๊ค่ะทีนี้เรื่องของธรรมะในการที่จะช่วยคนที่ป่วยแล้วป่วยเป็นโรคหัวใจแล้วป่วยเป็นโรคสมองโรคอะไรอะไต่างๆแล้วเนี่ยธรรมะช่วยได้อย่างไรธรรมะก็จะช่วยให้คุณเนี่ยต้องเข้าใจระบบการทํางานของร่างกายนิดนึงร่างกายเนี่ยจะดีขึ้นได้คุณตื่นใจการทํางานของร่างกายสมองส่วนต่างๆมันต้องสอดคล้อง ดีกันอย่างทั้งหมดนะระบบสับงถายระบบทา่งเดินหายใจระบบย่อยอาหารระ บ, บสมองระบบประสาทเนี่ยต้องทํางานสอดคล้องกันอย่างดีชดใช่ไหมอาหารที่คุณกินเข้าไปก็ต้องถูกยาคุณหมอเขาให้คุณมากินคุณกินไหมคุณบอกเขาอระจายตามที่หมอสั่สมมติเราทั้งหมดละทุกค่ะทั้งในเราเนี่ยมันจะดีขึ้นได้เนี่ย ขสมองอางนนได้จิตคุณอปกติเพราะถ้าจิตปกติยิ่งอยู่และไม่บื้อว่าอยาาคนป่วยโรคหัวใจเนี่ยหมอกขจะเตือนเลยคุณอย่าไปทาให้เขาตกใจนะเพราะ ม, มันจะมีผลต่อการการเป็นโรคหัวใจ ก็ถ้าผู้ที่กําลังป่วยอยู่นะก็ให้ทราบว่าเราทําจิตให้เหมาะสมสบายอย่างนี้ดีแต่ผู้ที่ไม่อยากป่วยนะสบายตัวอยู่ตอนนี้ก็ระวังนะโดยการที่ทําให้เราจิตของเราเนี่ยไม่ไหลไปตามตาหูจมุลิ้งใจมากจินอาาที่ดีออกกำลังกายบ้างก็จะจะทำให้ ร, ร่างกายเราดีขึ้นได้แล้วจะมาเป็นตัวอย่างที่เขาเรียกว่าตัวอย่างที่แย่มากๆเลยสมัยก่อนนะกิงไม่เลือกทุกอย่าง แล้วจนกระ่งสุขภาเราแย่มากมีครั้งนึงไปหาหมอเพราะปวดหัว <Okay. S 2> หมอก็บอกว่าอ่าตอนนั้นอาจจะมาเป็นชาวบหมอบอกว่าคุณเนี่ยเป็นโรคอะไรความดันโลหิตสูง <Okay. S 2> เป็นท่านจำๆนะ <Okay. S 2> ตอนนั้นอายุยังไม่ถึงสามสิบเป็นท่านจำๆแต่เป็นความดันโลหิตสูงให้เอายาไปกิน <Okay. S 2> หมูเราก็บอกว่าเฮ้ยเรายังไม่สามสิบเลยนะทำไมเราต้องกินยาแก้ความดันโลหิตสูงนะ <Okay. S 2> อืเราก็เลยคิดว่าไม่ไหวแนะําไม่ได้เรื่องแนละ้วก็ ค่ะซึ่งก็เลยก็เลยจะต้องอามาแบ่งปันให้เรู้ฟังว่าทําได้แักคนที่อไม่เคยทำไม่เคยอะไรต่างๆเนี่ยพอมารู้ธรรมะใช้ธรรมะแล้วเนี่ยคุณสามารถเปลี่ยนได้เปลี่ยนทิศสัยที่ไม่ดีให้ดีขึ้นได้เปลี่ยนสุขภาพที่ไม่ดีให้ดีขึ้นได้แต่ถ้าเรายังมีกำลังจิตที่จะแก้ไขตรงนี้อยู่แน่นอนเจ้าค่ะก็ต้องบั่นฝึกจิตนะเจ้าค่ะใช่ให้ไม่ไหลไปตาม ถัดจาทั้งหลายที่เข้ามานะเจ้าคะ<ช>่ะอย่างที่พระอาจารย์ได้เมตตาที่จะชี้แนะแล้วเจ้าคะ่ะเราก็ต้องให้กําลังใจคนที่เอาเอ า, เอาแค่ง่ายอย่างนั้นน่ะเกิดอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเราพร้อมอยู่ตรงนี้อ้วนขึ้นมาคืออ้วนขึ้นมาเนี่ยมันก็พร้อมลงได้มันไม่เทียงเจ้าค่ะอ่าต้องบอกงี้ความอ้วนก็ไม่เที่ยงอ้วนก็พร้อมได้คนพอมๆอมอยู่เดี๋ยวอ้วนขึ้นมาก็มีเจ้ค่ะเพราะฉะนั้นเราสามารถ องค์การชีวิตเราได้ควบคุมชีวิตเราได้ด้วยการฝึกจิตและาทมาให้ธรรมะมีอยู่ในใจและทําสิ่งที่ถูกต้องไม่ไหลไปตามสิ่งภายนอกอันเนี้ยเราก็แค่ปัญหาตัวเราได้คุณภาพการคดีชิมเนตเจ้าค่ะอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเราใช้ธรรมะที่พระพุทธองค์ได้เส่งตรัสไว้แล้วก็สั่งสอนไว้เนี่ยมาช่วยทําให้สุขภาพของเราดีได้ใช่ไหมเจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะเริ่มต้นด้วยการฝึกจิต ที่จะให้ไมห่หลไปทำพัสสะต่างๆแล้วในการสุดจิตนั้นก็ต้องทำตลอดเวลาทำทุกที่ทุกเวลานะเจ้าคะ่ะอืมที่มีโอกาสเลรลนะ่ะเจ้าคะ่นะเจ้าคะ่ะ ก็เหลือเวลาอยู่อีกนิดนึงนะเจ้าค่ะประมาณสามสนาทีไม่ทราบพระอาจารย์จะฝากอะไรเป็นการปิดท้ายรายการธรรมรารุนในเช้าวันนี้ไหมเจ้าค่ะให้ท่านผู้ฟังทางบ้านที่ตามรับฟังรายการของของเราเนี้ยเจ้าค่ะใต้แง่คิดเน้นย้ำเกี่ยวกับเรื่องของการที่ถ้าเราอยากมีสุขภาพกายที่ดีสุขภาพจิตที่ดีนั้นสรุปแล้ว ในทุกวันที่เราดําเนินชีวิตไปอย่างในฐานะฆราวาสนี้เราควรจะยึดถือธรรมะอะไรบ้างเจ้าคะ่ะก็คือเรื่องของสตนะิให้ใช้สติอยู่ตลอดเวลา <Okay. S 2> พอมีสติแล้วเนี่ยเราจะไม่ไหลไปตามอาหารที่เราชอบแต่จะไม่เกลียดไม่มีความคิดที่ไม่อยากจะกินอาหารที่เราควรจะกินเพะเรามีสติแล้วเนี่ยเราจะสามารถควบคุมจิตของเราได้นอกจากจะกควบคุมปากเราได้ควบคุมจิตก็คือควบคุมปากได้ okay. พอทำอย่างนี้ได้แล้วเนี่ยนี่คือผลประโยชน์ในปัจจุบันเทนั้นเองแต่ผลประโยชน์ในชาติหน้าในในต่อตไปนะคือผิตของเราจะมีกาลังมากขึ้นมีความคิดดีๆมากขึ้นการงานก็ดีการเรียนก็ดีการสอนก็ดีจะดีขึ้นหมดผลที่สุดยอดเลยก็คือเรื่องของมาผลก็จะปูพื้นให้ไปตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยโอ้มันได้ถึงสามระดับในวิธีเดียวกันแค่ลงไปใจเข้าออกเท่านั้นเองเป็นขอให้ทำํำนะอย่าหายใจจริง ใจเข้าหายใจออกทุกขณะให้มีสติอยู่แประโยชน์สามประ ก, การจะตามมาทันทีเจ้าค่ะก็ต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ไพบุตราาพราาิบุโนเป็นอย่างสูงนะเจ้าค่นะที่ได้เมตตาที่จะ ที้แจงแสดงธรรมแล้วก็ให้คําแนะนําดีๆแก่ท่านผู้ฟังทางบ้านซึ่งเป็นแฟนรายการธรรมารับบรุญในเอช้าวันนี้นะเจ๊คะคะสำหรับในช้าวันในที่ที่หกมีนาคมนี้ก็ถึงเวลาที่รายการธรรมาราปรุญจะต้องอําลาจากท่านผู้ฟังไปแล้วนะคะต้องขออภัยท่านผู้ฟังถ้าหากว่าเสียงของยันเองไม่ไม่ทําให้ท่านผู้ฟังไม่ค่อยสบายใจนะคะต้องขอประทานโทษ ด, ด้วยเพราะว่าอ ค่อนข้างจะจะติดหวัดนิดนึงนะเจคะ่ะก็คิดว่าท่านผู้ฟังก็คงจะให้อภัยกันนะคะเราจะกลับมาพบ ก, กันใหม่ในเช้าวันเสาร์อาทิตย์หน้านะคะซึ่งก็คงจะได้มนพระอาจารย์ไพบูนอภิพุโ น, โนแห่งวัดป่าดอนหายโศกตบมดอนหายโศ ก, กอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้มา สนทนาธรรมหรือสากรชาการเหมือนเช่นเคยซึ่งก็คิดว่าท่านผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการธรรมาราบรุณภาคุเศตเสาร์อาทิตย์ก็คงจะได้ตามรับฟังกันต่อไปนะคะสําหรับในเช้าวันอาทิตย์นี้ก็คงข อ, อนำท่านผู้ฟังกราบนมัส ก, การลาแล้วก็กราบขอบพระคุณพระอาจารย์ไพบุตรอภิปุโนไว้เพียงแค่นี้กราบนมัส ก, การและกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ ติดตามารับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้ใหม่ในวันทุกนี้เวลา5นาฬิกาถึงหนาฬิกาสาสินาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ